แต่เดี๋ยวนะแล้วสุดท้ายอ่ะอ่านตรงอย่างจริง Chodź, chodź, chodź, na chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, แต่รวมวันเอาไหมเราไม่ได้ไปห้องประชุมอ่ะนะพูดนะ ได้ครูขอฝึกเข้านั้นไม่ใช่จะมาทําสวยกับ จริงมั้ยอรณพลถ้าไปรอไปดูสิไปหึ นะครูอยากจะช่วยเราไม่ได้เห็นว่าจะได้ 1 นะ. นะคะครูก็ไม่ยอมแต่ถ้านิชชาเนี่ยได้มีนอนหนูกระรังนี้ได้มั้ยของเค้านะ ไอ้ชอบถ่ายแบบมุมเพอร์สเปคทีฟใช่มั้ยคะรู้น่ะ ที่มองพลุเหรอคะนี่เนี่ยเออ บางทีเราก็ขายแบบคนมีศิลปือเลยเนี่ยขาย แล้วก็พอมาเรียนก็รู้อ่ะนะถ้าเรียนถึงไม่เก่งคนที่เขาจะมาเลือกนะได้แล 3 ตรงที่สําเร็จเรื่องทูลไม่ง่ายๆหมดใช่ แล้วโศกยอมเพราะอะไรอะไรที่สุดเด่นที่ทําให้ พี่แลเกดิถ้าเรียกแต่โดโสเนี่ยเอาใจคนองค์นะ รอบนี้ได้เขาจะไปโดยไม่ร่ำลาเลยนี่คือพ่อแม่ เหมือนทําความอะไรทําพฤติกรรมตัวอย่าฝากไม่เรียนไว้ค่ะนะ คุณน้าได้เพราะว่าเหมือนกันสามีครูทํางานอยู่บนทีวี นะคะรู้เลยค่ะลูกครู อย่าเพิ่งเชื่อไปหา CP ละเลยอ่ะถ้ามันอ้ำอยู่ พูดดูลักษณะดูความซื่อสัตย์เนี่ยนะคะมันอาจ แต่ในทางที่ว่าองค์ธุรกิจนี้เนี่ยเรื่องฝันอยู่ฝัน จำไว้เลยนะคนมีกะทันหันดูแต่คนมีกะทันหันจริงมันลองแล้ว<อก> ก็โทษตายแต่คนอู้ปล่อยค่ะเรื่องความกตัญญูตระหนักถึงคุณคุณ 0 ระเถรฐานในแน่วภัตจรรณพิษัยวันจับบาตรกับพระที่เชิญก็ ได้คงจะจําได้ท่านน่าจะรู้เอาจําได้มั้ยเสียเอาเนี่ยถึงเราจะกูอยากอ้างไว้เป็นพ่อผิดเงิน เพราะว่าท่านเห็นว่าเป็นถึงสมควรแปรเพื่อประโยชน์รัฐการบ้าน แล้ววางคนที่เหมาะหมาด้วยต่อไปในหลักฐานน้ําใจเดี๋ยว 1 2 3 4 อ่ะเอ่อการ เวลาจะทําไงมั้นจะหาเรื่อเหล่าคุณๆดี 2 2 ค่ะข้อ 3 นัสัญใจก็ไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของลูกน้อง มีเรื่องเก่งแล้วก็มีคุณธรรมสินไม่ ทำไมคะเคยดูว่าตัวนี้นะเปิดทางให้ แน่นอนในเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยคือความสะเลงโหโหมีกี่ จากโชโถที่เห็นทุกท่านนะคะ นี่เลยค่ะกวนอูเป็นภูชาเอ่อเป็นเออนะ ประชาชนที่เป็นศิษสรรค์ละออคินีอ่ะเอ๊ะเคยเคยดู เออแสบเรื่องยังใคร ทีเด้อัญขตาเปรียบมาเหมือนเหมือนโน่นล่ะเต็มหน้าจะคุยตาหน้าอะไรบอกเพื่อนออกต่อหึสวยหาไม่เจอเออไปหานักผู้ออกต่อ ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับความระบาดก็ เด่นเรื่องวาจาศิลป์คือว่าศิลปะในการพูดโดยทอดแนนนี่ใคร เอ่อเดียวๆนะคะกว่าน้องกดดูหลายตอน 1 นะถ้ามีท่านจ๋าจะมี 9ก9 บทอ่านได้ก็เลยลําดับก็จะเป็นเตเ นะต้องไหว้แม้ไม่เห็นแต่อุดนิดเดียวก็ต้องกูนะมีข้อความที่บอกว่าก็ถามไม่ได้ ถ้ามีไปถ้าผมซึ่งพร้อมมันก็จะเป็นหนีไปเลย อ่าต่อครูจะบอกว่ามี x ใดตัวนึงคือกุญแจคนเนี่ยจะเป็นนะเป็น ก็เสีย 5 อย่าการร้ายเอเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะไม่ดีไอ้นี่ อันนี้สําคัญนะไม่รู้คะเอาเหรอครูออกนะเดี๋ยวๆเดี๋ยว 2 เล่าปี่นะคะพอพบลี้เตียนฝ่ายตรงข้ามกลุ่มสหาสัตตภาพเล่าปี่อยู่นะ ใครๆนะครับเวลามองเรื่องนี้สังคบเท่ากับพระเอกเคย อ่าแต่คนที่ดูอุปนิสัยไปหนอเลยติดกับเป็นอาทิตย์แล้วนะ นะคะไม่ใช่บอกเป็นพระเอกตลอดแล้วมันไม่ใช่เนี่ยข้าพเจ้าจะต้องขอ นะคะก็พอตอนเนี้ยเล่าปี่เนี่ยนั้น นะ, 62 ตรงหน้าในการสงครามเราก็ได้ได้ตัวมาเลี้ยง เสยเอาไปยกเสียฮะยกมือเลยข้าพเจ้ารู้จักคุณครูนะ นะคะทรหดกองพันทหารนะฟังบางนะนะ นะแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปในเมืองแล้วบอก นะ, ayam ngดดการแต่การเเลย20 ไม่เพราะเจอ trafficking should be tri-tu-tu-tu like kabla잖아 หลบอ fr approved by a นี่ไม่ได้นี้หรอกไอ้กระบวนทหารของอีกฝ่ายนึงค่ะคุณ ทับแล้วก็กดดุขับอยู่ใน <tr> <Wiki> นะแล้วพอทําพิธีแล้วก็นะยกนะ ก็ก็มาโห่โห่โห่แล้วโดดบางทีเนี่ยทหารไอ้ แต่บอกว่าเฮ้ยดูดีๆนะขอบครัวเราปีเมืองนะระวัง ว่าแลก็นำทางกันนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้อุปราโชโส พี่ทุกคนหน้าอะไรพระธริตะ 64 ต่อ 4 น้อง ก็บอกว่าถ้าท่านน่ะตายไปถึงเรื่องระยะพูดแล้วปิดเยื่อขุยก็จะ พอเกิดโยมตายเกิดผลร้ายข้อ 2 เออ อย่าคุณครูว่าท่านเก่งนะทําไมไม่รักษาชีวิตด้วย<น> ใช่มั้ยที่รู้โทษธรรมกาลถ้ามันอะ 3 ข้อ 1 แค่กุหลาบแกเออได้เรียกกันกับรถข้อ 2 เออเอเอเอ 2 คนข้อ 3 ได้ส่วนลงกับทางเย็นเลยนะ ต่อไปนี้โจอโฉนะคะได้ฟังพอเพียงเนื้อ 3 ต่อไปข้อ 2 ที่บอกเจอมาที่ใครไปยุ่งเกี่ยวกับเมียเล่าสรุปแล้ว นั่นไปดูเองเรื่องนิเวศนะกูไม่ <c oughs> เป็นขนาดที่เป็นอยู่กระทิละปรีละปรีนะจะไม่โอเคนะเล่นไปบอกสัญญาอ้าวนี่ต่อไปเอ๊ะไอ้ ไม่ได้หรอกต่อฤทธิ์เหตุ 500 เป็น 500 บทมี 2 แล้วไม่ถึงที่ทะไหร่นะคะอ่าเนี่ยในชาร์ต 10 10 เป็นเป็นนามวัดไทยให้นามที่สุภาพสังคมนะคะมี ไว้อันไหนอ่ะต้องอ่าต้องรู้นะคะว่าโต่อโถให้เื้อใหม่คุณอ่าต่อไปนักเรียนค่ะสวยสวย ไชโยพระอธิเทพไชโยพระเจ้าเพี้ยนเจโถวนวดหามนะคะแล้วก็ถามว่ามีถุง โอเวนมีฉายาว่านี่ภาษาอังกฤษของนี่ไม่รู้สึกเลย เพราะว่าแล้วค่ะอันนี้เนี่ยมันเคยเป็นทุกตัวในตัวมา ใครจะคนพูดธรรมดาเกิดเป็นชายให้รู้ เอ๊ะท่าน ร. 4 ค่ะตกตกแล้วนะ เงิน 94 มีคุณ 2 เสด็จพลอูจะขอตอบแทนก่อนนะคะและพลอู ซึ่งสระลิ่งนัดทีนะคะมั่นดู ถ้าเรารอโถจะให้คนอุ้มอยู่นานๆคิดก็ทําไงเออเออ <c oughs> <c oughs> ไม่นะคะไม่จําเป็นนะคะจบนักเรียนถามมีคําถามข้าง i don't know Komisarzu! <coughs> could be in